เพื่อให้นักจาริกสแสวงบุญได้บูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้ายอดสถานเทวรายมองดูจากท่ไกลตำรถดันกันระเกะระกะไปทั่วจริงสินะภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เช่งเหมือนกับที่ฝันเห็นไม่มีผิดนี่เองทำให้เชื่อมั่นยิ่งขึ้น รัตปานีที่พบระหว่างทางคือลีลาวดีแต่ก็ยังไม่ตปรงใจเชื่อสนิทนักจนกว่าจะเข้าไปพิสูจน์ในคฤหาของเธินในธรนคอนดูท่าทางกันจะร้อนรนไม่ลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาให้เย็นกายสบายใจสะหน่อยหรอกหรออาตมากำลังคิดอยู่ถา้าเชินนั้นก็เชิญท่านสมณะ สมณะชำระร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างละ่ะน้ำในแม่น้ำคงคาเย็นสบายดีแต่จะต้องขอลาท่านท่านสมณะจะไปไหนต่ออาตมาจะเข้าไปในเมืองถ้าเช่นนั้นเชิญท่านสมณะ คงาจนกระทั่งมาถึงถนนสายนี้ดูเหมือนจะเป็นที่คุณตานั่นกำแพงสูงแบบเดียวกับที่เห็นในความฝันตรงกลางกำแพงมีประตูใหญ่ข้างในเป็นทางเดินสะอาดเรียบร้อยตรงไปยังเครือหาดหลังใหญ่ตั้งอยู่ในสวนดอกไม้ต้นไม้อันร่มรื่นเย็นสบายในความฝันเห็นดีลาวดี เดินหายาไปในเครือหาดหลังนี้ถ้าเช่นนั้นเป็นความจริงไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วนี่คือบ้านของเมตยาเศรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆแต่รัตปา น, นีก็คือลีลาวดีจริงๆอลีลาวดีผู้น่าสงสาร สุดความจริงตามที่ฝันจนพบแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งแม่น้ำคงคาอีกจุดประสงค์ก็เพื่อจะชมทิวทัศน์แม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆดูเหมือนจะดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำเย็นแล้วตามริมฝั่งแม่น้ำหนึ่งแน่นไปได้ฝูงชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยลงอาบน้ำชำระกาย เดินฝ่าฝูงชนไปได้เรื่อยท่านสมณะอุบาสกนั่นเองนึกว่าจะไม่ได้พบกันจะแล้วหลังจากอาบน้าแล้วท่านก่อหายไปอัตมาเข้าไปในนครไปเดินดูความเจริญของบ้านเมืองแล้วทำไมกลับมาที่นี่อีกล่ะอัตมาอยากจะมาดูทิวทัศน์แม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆตุมันว่าจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ บนชายฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งนี้ถูกแล้วมีอยู่ตลอดเวลาให้เห็นห น, นูเห็นไหมละ่ะคนกลุมใดนั่งแวดรอมสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นท่านหมายถึงอะไรโยคีไงละ่ะเข้าไปใกล้ๆให้เห็นทันหนักเถอะเชื่อว่าท่านเห็นแล้วจะต้องถึงอ่ะเห็นชัดหรือยังโยคีตนนั้นกำลังทำอะไรอยู่โยคีนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการสงบ น้ำคมราวนั้นเป็นยังไงทิ่มแทงผิวหนังจนมีโลหิตไหลซึมออกมาคงจะเจ็บมากไม่เจ็บไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวโยคียได้ยินท่านสมณะพูดเขาปฏิเสธเสียงขึงขังทีเดียวนี่ยังน้อยไปเราจะทำให้ดูยิ่งกว่านี้โยคียจะทำอะไรอีกกุบาสกข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อ ขอบอกให้ท่านรู้ก่อนว่าการบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าอั ต, ตกิรมถานุยกันดูสิโยคีเอาเข็มนับจํานวนร้อยแทงทะลุผิวหนังแล้วยังเอาได้ผูกผลส้มทวงไว้ที่เข็มอีกด้วยโลหิตไหลออกมาเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงมาแรงวันจํานวนมากจับดูดกินโลหิตกันเป็นกลุ่ม คนดูยกมือไหว้สวดมนต์พึมพำไม่เพียงแต่เท่านั้นยังวางผลราไม้ขนมและเงินเหรียญไว้รอ บ, รอบตัวโยขีอีกด้วยไปดูทางอื่นเถอ ส่วนมากเป็นหญิงสูงอายุนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคำมภีพระเวสได้ท่วงทานองอันไพเราะน่าชวนฟังผู้คนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งตอนหนึ่งคนฟังก็ยกมือท่วมหัวเปล่งสาธุ ก, การโยนเหรียญใส่ภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพราหมณ์แกเป็นเครื่องบูชา อ่าเดินไปดูทั้งกลุ่มน้นเถอะท่านสมณนนะไปสิอุบาสกคนกลุ่มนั้นนั่งล้อมวงดูอะไรอุบาสกดูโยคีโยคีทำอะไรเห็นนั่งคัดสมาธิ มือซ้ายวางบนตักมือขวาชี้ตรงขึ้นไปบนฟ้าดูท่าทางคนจะชอบเอามากทีเดียวใช่แล้วคนชอบมากรวมทั้งท่านด้วยล่ะสิถูกแล้วรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเพราะนั่นคือพระคุณเจ้าของเราพระคุณเจ้าของท่านกําลังทําอะไรบําเพนตะบาอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก บายด้านเอาลงอีกไม่ได้แล้วได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสน่าสงสารโอ้ยไม่ต้องสงสารนั่นเป็นการกระทำที่ดีแล้วท่านปฏิบัติได้เคร่งครัดจึงเป็นอย่างนี้ว่าแต่ท่านเถอะอัตมาทําไมปฏิบัติการย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติการเข้มงวด ผลที่ได้รับคือทุกขเวทนาทางกายและทางใจสุวนอาตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับคือความสุขสบายทั้งกายและใจท่านสมณะระวังถอยขามไว้ด้วยโยคีได้ยินที่ท่านพูดแล้วหันมามองด้วยสายตาขุนเคืองเอาเรื่องทีเดียวงั้นไปทางอื่นเถอะ คนกลุ่มนั้นยืนมองดูโยคีอีกละสิอุบาสกถูกแรกท่านสามาณนะโยคีคนนี้มาแปลกนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นหินท่านคงไม่รู้รลก ว, ว่าโยคีคนนี้จะกลิ้งตัวไปแทนเดินกลิ้งตัวแทนเดินเขาทําได้แหละแต่ว่าเขาได้พิสูจน์มาแล้วด้วยการกลิ้งตัวเดินทางมาจากเมืองสาเกต โดยไม่ลุกขึ้นเล ย, ยนั่นเลยไม่ลุกเดินเลยดูตามตัวเขาสิเต็มไปด้วยร้อยด่านและบาดแผลฟุ้นละอองเกล็กลางไปหมดคนที่ยืนดูต่างไหว้ด้วยความเหลื่อมใสาโยนเงินเทองและเครื่องประดับลงไปรอบรอ บ, บตัวเขาเป็นกองใหญ่ทีเดียวเดินดูต่อไปเถิดทา่านสามัก มาอีกไม่ไกลมาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างตั้นอะไรกันดูแล้วแต่ซากศพคนตายเป็นจํานวนสิบวางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินท่านธรรมะเห็นซากศพกันไหมล่ะเห็นแล้วกําลังสงสัยอยู่ทําไมถึงมากมายนัดและทําไมนํามาวางเรียงรายอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพื่อรอการเผา ถึงกับต้องนำมารอกันเชียวหรือทาไมนำมารอเยียงแถวเห็นจะไม่มีทางได้เผาเพราะว่ามีศพมากมายหรือเกินจริงสินะศพมีจำนวนมากมายแต่และศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีและพวกที่ร้องไห้คาควรวญอยู่นั้นเห็นที่จะเป็นพวกญาติถูกแล้วท่านสมา น, นักนอกจากจะร้องไห้คาควรวญด้วยความอไรรักแล้ว บางคนก็สวดมนต์ส่งวิญญาณคนตายให้ได้ขึ้นไปเสวยสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าอ๋อแล้วนั่นมีคนตักน้ำในแม่พระคงคามารดศพเพื่อเป็นเจริกมงคลนูน่นที่บันไดชั้นร่างพวกไหนที่กุลีกุจอเผาศพพวกสับเหรอเศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็จะถูกกวาดลุกไปในแม่น้ำคงคา แล้วนำศพอื่นมาเผาติดต่อกันไปไม่ได้ขาดสายการเผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคานี้ไม่มีวันหยุดหมายความว่ายังไงไยที่เผาศพจะลุกติดต่อกันไม่เคยดับเลยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วน่าสลบใจไปดูทางอื่นกันเถอะท่านสมนะ เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านกาลังล้อมดูอะไรกันล้อมดูศพใครเป็นอะไรอุบาศพเอ๊ะไม่ใช่ศพเดียวอย่างที่คิดสองศพวางเคียงกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูระดับดอกไม้อีกศพเป็นชายหนุ่มพันไว้ได้วยผ้าขาวเปิดเฉพาะตรงหน้าท่านสมณะสนใจไหม อาตมาสนใจมากรู้สึกประสพทั้งสองยังหนุ่มสาวสดชื่นปีแยกพี่น้องมาชมหนุ่มกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นเหรออุบาสกข้าพระจ้าไม่รู้ลองถามชายคนนั้นดูอาจจะรู้เออนี่นท่านท่านสมณนะผู้นี้อยากจะทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่นั้นมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามาเรื่องอะไรอุบาสกมันเป็นเรื่องของความรัก ซึ่งไม่รู้จักคําว่าชาติวันนะขออนุโมนทนนั่งก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังนั่งบนแทนหินนั่นแหละเรื่องมันเป็นยังไงอุบาสกโปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านสมณะฟังเดี๋ยวนี้ ชื่อสุชาดาเป็นที่ดาของเศรษฐีวันนะพรามอยู่ในนครพารณสีส่วนชายหนุ่มชื่อสุภาหะวันนะสูตรเป็นทาตรับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของสุชาดาต่อมาภายหลังคนทั้งสองได้เกิดรักกันขึ้นอย่างดูดดิมและคืนหนึ่งหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาดนุ่ม ความรักของเราสมประสงค์ท่านพาข้าพเจ้าหนีพิเถอะท่านให้ข้าพเจ้าพาหนีถูกแล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนะความรักของเราจึงจะสมประสงค์ท่านจะให้ข้าพเจ้าพาหนีไปไหนไปยังถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักเราจะมีความสุขกันอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าทําอย่างนั้นไม่ได้แลอวท่านไม่รักข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมข้าพเจ้ารักท่านยิ่งกว่าชีวิตแม้จะตายด้วยความรักข้าพเจ้าก็ยอมถ้าจะให้ข้าพเจ้าพาท่านหนีน่ะ ข้าพเจ้าทำไม่ได้ทำไมล่ะสุภาหุทำไมท่านพาข้าพเจ้าหนีไม่ได้อ๋อท่านไม่มีเงินใช่ไหมกลัวจะอดตายล่ะสิข้อนั้นท่านไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าจะนําเงินทองไปด้วยซึ่งเราจะมีความสุขก็ได้นานทีเดียวข้อนั้นนะข้าพเจ้าไม่กลัวหรอกไม่มีเงินทองข้าพเจ้าก็หาเลี้ยงดูท่านได้ก็อะไรล่ะข้าพเจ้าเป็นทานเก่าแก่ของตระกูลปู่และพ่อของข้าพเจ้าเป็นทานรับใช้อยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าจึงได้รับความเมตตาปราณีจากเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของท่านเป็นพิเศษไม่ต้องทํางานหนักเหมือนทาสคนอื่นๆนี่แหละข้าพเจ้าจึงไม่อยากได้ละคุณต่อผู้มีพระคุณสุภาหุไม่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกแล้วว่ารักท่านมากแล้วทำไมท่านเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคเพียงแต่ท่านตกลงใจพาข้าพเจ้าหนีความรักของเราก็าจะสมหวังข้าพเจ้าไม่อาจได้ละคุณต่อผู้มีพระคุณได้และอีกอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นเพียงคาดวันณะสูตรอันตําต้อยส่วนท่านเป็นนายวันณพรามันสูงส่งไม่ต้องการให้ท่านตกตามลงมากับข้าพเจ้าด้วยจะทํำยังไงลืมข้าพเจ้าเสียลืมท่านเลิกติดต่อกันก็ข้าพเจ้าทําไม่ได้ต้องทําได้สิสุชาดาถ้าเรายังติดต่อกันอยู่ไภัยที่บัดย่างใหญ่หลวงก็จะมาโซวงตระกูลของสุชาดาเอง ขอให้เธอจงสำนึกในชาติาพระกูลค้าพเจ้าไม่อยอมข้าพเจ้าทำใไสั่งแนะนำไม่ได้ความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านมั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสุชาดาไม่ยินยอมทำตามที่สุภาหก ข, ขอร้องเธอยังคงแอบติดต่อกับเขา รบเร้าให้เขาพาเธอหนีบ่อยยิ่งขึ้นและในที่สุดความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้เป็นบิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืองมากท่านเรียกสุภาหุม ด, ดุ ด, ดาด้วยถ้อยคํหยาบคายต่างๆทั้งให้โบยตีจนพอแค่ความโกรธจากนั้นก็ขับไล่ออกจากคลือหาดสุภาหุออกจากคลืหาดแล้ว กอเที่ยวรับจ้างเขาทํางานหนักต่างๆเลี้ยงชีพด้วยความยากลําบากฝ่ายสุชาดาทราบว่าสุภาหุคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็บังเกิดความเสียใจอะไรยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผูกไก่ชิดออกเที่ยวตามหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นความลับเป็นเวลาหลายวันทีเดียวในที่สุดนางก็ทราบที่อยู่ของเขา หลังจากทราบที่อยู่ของสุภาหูแล้วนางสุชาดาทําประการใดต่อไปอุบาสกนางให้คนไช้นําเสื้อผ้าและอาหารไปให้และนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นครั้งคราวต่อมาท่านเศรษฐีบิดาได้ทราบความลับนี้ทราบแล้วท่านเศรษฐีทํำยังไงจับขี้ดาสาวมาขังไว้บนปราสาทชั้นเจ็ด ให้คนรักษาปราสาทยังแข็งแรงทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้ธิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกและในเวลาเดียวกันท่านเศรษฐีก็บังคับให้สุภาหุหนีไปอยู่ซะในที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปไม่พบ เมื่อสุดชาดาถูกกักขังหมดอิสรภาพหมดโอกาสที่จะได้พบคนรักเธอเป็นยังไงบ้างเธอตกอยู่ในห่วงมหันตจทุกข์หมดอาลัยตายยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนาหารทุกประเภทตั้งใจจะทรมานตัวเองให้ถึงแก่ความตายแล้วเศรษฐีบิดาทำประการใดทั้งบวดาและมารดา เฝ้ารบร้าวิงวอนให้ธิดาคนเดียวน่ะรับประทานอาหารด้วยเกรงว่าจะสูญเสียธิดาอันเป็นที่รักดังดวงใจหลายวันผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นอุบาสกสุชาดารับปากว่าจะกินอาหารถ้ามิดามารดาจะทําตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งนางสุชาดาต้องการอะไรฟังคําของนางดูสิ ตามที่พ่อกับแม่ต้องการแต่พ่อกับแม่ต้องทตามที่ลูกต้องการอย่างนึงเชื่อกอดบอกมาเธอลูกจะให้พ่อกับแม่ทําอะไรพ่อกับแม่ยินดีทําทุกอย่างเพียงแต่ขอให้ลูกกินข้าวปลาเท่านั้นลูกอดมาหลายวันแล้วมันไม่ดีกับตัวลูกเลยรู้ไหมบอกสิลูกลูกจะให้พ่อกับแม่ทําอะไรลูกอยากจะพบสุภาหุลลืมก็จะเธอลูกอย่าไปลึกถึงเข้าอีกเลย สุภาหูไม่เหมาะสมกับลูกลูกต้องการพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปลูกจะไม่พบเขาอีกใช่ไหมใช่ค่ะแม่ลูกขอพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปไม่อ้อนวอนขอพบอีกแล้วขอให้แม่ปรึกษากับพ่อดู ก, ก่อนนะว่ายังไงท่านลูกต้องการพบสุภาหูเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะให้พบไห ม, มลเธอหวงไงควรจะให้พบ ลูกบอกว่าขอพบเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่ขอพบอีกแล้วก็ได้จะให้พบแต่ลูกต้องสัญญาก่อนว่าจะทินอาหารตั้งแต่บัดนี้ลูกให้สัญญาพ่อจะส่งคนออกไปซื้อผ้าสุภาว เศรษฐีทำตามที่พูดหรือเปล่าอุบาสกทำตามสิท่านสมณะท่านเศรษฐีส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาถึงสามวันจึงไปพบที่หมู่บ้านแห่งหนึง่งนอกเมืองที่แรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีทำไมละ่ะสุภาหุเกรงว่าจะได้รับอาญาถึงตายต่เมื่อท่านเศรษฐีไปแจ้งเรื่องราวให้ฟัง และรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพาราณสีท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนี้เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เช้าวันนี้เองเกิดขึ้นเช้าวันนี้ ถูกแล้วท่านสมณะเล้าต่อไปเธออุบาสกหนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาเผชิญหน้ากันที่ชั้นล่างของปราสาทสุชาดายืนจ้องมองคนรักของนางด้วยดวงตาอันลหอยอยู่เป็นเวลานานครั้นแล้วท่ามกลางความตกตะลึงเพรึงเผิดของคนที่อยู่โดยรอบนางหยิบเอากริดอันแหลมคม ที่นางส่อนไว้ในผ้าที่ิดเอลออกมาแล้วจ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตัวเองนางฆ่าตัวตายโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มลงขาดใจตายทันทีทันใดสุภาหงก็วิ่งไปที่ร่างของคนรักดึงเอากรดออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบืองซ้ายของตนเอง ล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพคนรักท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักอลีลาวดีิอ๊ะ ั่นท่านจะไปไหนละ่ะท่านสม น, นะรอกข้าพเจ้าด้วยท่านสมณนะคืนนี้จะพักที่ไหนใต้ตนใสใหญ่เนี่แหละอุบาสกทําไมไม่ไปพักที่เทวสถานนั่นละ่ะท่านสมณนะเทวสถานไหน ริมฝั่งมาน้ําคงคานั็นยังไงอัตมาพักใต้ร่มไสรนี่ดีกว่าท่านสมณะจะพักได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลังคาป้องกันน้ําค้างอัตมาจะปักกรดพักอ๋อปักกรดจริงสินะข้าพเจ้าลืมไป น, นะผู้คนมากมายมากันแล้วจริงสินะผู้คนทุกเพศทุกวัยมากันทําไมมาอาบน้ําชําระร่างกายในแม่น้ําคงคา ก่อนอาบน้ํา<น>ก็แวะนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นมิน่าล่ะผู้คนจึงพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนว่าจะมีประตูเข้าอยู่ทางเดียวทางทิศตะวันออกถูกแล้วท่านรู้ไหมว่าภายในเทวสถานเป็นยังไงอาตมาไม่เคยเห็นจึงไม่สามารถจะบอกได้ภายในเทวสถานเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ มีเสาสีลาขนาดมาคือมาเรียงเป็นแถวค้ำเพดานองเทวรูปสร้าง้วยสีลาดำสนิทประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงภายในมณฑลตรงกลางห้องโถงอาตมาอยากเห็นซะแล้วสิภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปเป็นอันขาดมีคนอยู่ดูแลด้วยละสิมีพรามแก่คนหนึ่งแระมีแก่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปได้ ตามปกติพราหมูนี้จะเข้าไปในบริเวณมนตบวันละสองครั้งคือเช้าและเย็นเพื่อส่งสนานองค์เทวรูปด้วยน้ําอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่พระคงคาจากนั้นก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆไปสิทธิ์ทาณัณรมนาไปดูภายในเทวสถานด้วยกันนอกจากบริเวณศักดิ์สิทธิ์อย่าเข้าไปไปกันเถอะ ไปสิบูบาสก สมณะเห็นอะไรบ้างเทวรูปตกแต่งด้วยเครื่องอันวิค่าถูกแล้วท่นทานสมณะในบริเวณรอบๆรัวเหล็กเต็มไปด้วยประทีปเนยสดและดอกไม้ทุกทีนดอกไม้ถูกเทียนเหล่านั้นประชาชนนำมาบูชาเทวรูปทรงควันและกลิ่นตลบไปหมดท่านสมณะหายใจไม่ออกแล้สิอัตมาหายใจออกแต่ว่หายใจไม่คล่องเท่านั้นด้าไหนล่ะ พรามผู้รักษาเทวสถานกําลังทําพิธีสงสานองค์เทวีรูทําพิธีอยู่ที่ไหนรั้งม่านกันนั่นไงทําอยู่กับใครเพียงลาพังคนเดียวคนอื่นเข้าไปไม่ได้นั่นเสียงอะไรเไงพรามสวดมนต์ประชาชนที่มาได้ยินแต่เสียงสวดมนต์อย่างเดียวแต่มองไม่เห็นพรามผู้นั้นนะถูกแล้ว สิงกระดิกอะไรพราหมณ์คนนั้นเป็นคนสัน่นแสดงว่าการสวดมนต์ได้สิ้นสุดลงแล้วหมายความว่าการส่งสนานองค์เทวรูปก็เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วแล้วนั่นผู้คนกำลังทําอะไรนั่งคุกเข่าชะเง้อคอเหมือนกับว่าจะคอยดูอะไรสักอย่างไม่ผิดหรอกท่านสมณะผู้คนเรานั่นกําลังกระหายจะได้ชมพราหมณ์นัพราหมณ์โผล่ออกมาจากหลังม่านแล้ว นำโดดขาวโพลนโผล่ออกมาจากหลังมา่านมือหนึ่งถือถาดใบใหญ่แต็มไปด้เครื่องสักการะนาน า, นานชนิดมืออีกข้างหนึ่งถือหม้อทองเหลืองขนาดใหญ่ในหม้อทองเหลืองมีนม้ำอยู่เต็มเป็นน้ำสององค์เทวาลย อะไรเล้พวกคนเรผักกันใหญ่นต่างต้องการที่จะเข้าไปหาพรามรู้สิต่างถูมือกันสร้อนที่เดียวเพื่อต้องการอะไรนั่นไงล่ะพรามหยิบเศษดอกไม้ใบไม้และสิ่งอื่นอื่นออกจากถาดใส่มือที่ชูร้อนทักท้องว่าจะได้ของศักดิ์สิทธิ์ได้ทั่วถึงกันนั่นแหละของศักดิ์สิทธิ์ กแล้วทนสมนนะของเรานั้นประชาชนถือว่าเป็นของศักดิ์์ถ้าของที่ได้รับแจกเป็นของกินเช่นเศษผลไม้ก็ย้อนเข้าปากเคี้ยวทันทีนั่นไงละ่ะหลายคนเคี้ยกินกั น, นถ้าไม่ใช่ของกินนะอุบาสกก็จะยกของขึ้นจอบเหนื้อหัวแล้วก็เก็บไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาน่าสงสารเด็กและผู้หญิง ไมสามารถจะเข้าไปเย้ยแย่งเอาของศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้ไม่ต้องหวง่วรงรล้แย่งของไม่ได้ก็ได้อย่างอื่นแทนแต่ของอะไรแทนเถ้าอุบาสกษษษนั่นไงละ่ะเรากำลังจัดการไห้แล้วด<อ>ื่นน้ำในหม้อทองเหลืองให้ดื่มถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มกินแล้วรูปหน้ารูปตาเพื่อความเป็นสิริมงคลตออไปออกไปข้างนอกกันเถอาอุบาสกษษ